สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีรษะพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปเยซูตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบสามเรื่องคําอธิษฐานของเปเยซูครั้งที่สี่สิบแปดเป็นคําถามเพื่อการภาวนาและพ่อจชนะเพื่อการหนุนใจครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมมีพระวจนะพระเจ้าเพื่อที่จะหนุนใจพี่น้องหลายเล่มตอนด้วยกันนะครับพอ่อเจชนะแรกก็คือ เมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้หลักการของพระเจ้ามา ป, ปกครองชีวิตของเราขอให้พระองค์ได้ทรงประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพง์ทั้งหลายในการวันนี้พี่น้องข้าพเจ้าของพระเจ้าในโรมบทที่สิบสี่ข้อที่สิบเจ็ดนั้นมีข้อความดังนี้ว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ คุณน้องครับเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระเจ้าจะทรงประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้หมายความว่าพระเจ้าจะทรงประทานความจําเป็นทางด้านกายภาพนะครับชนิดที่ว่าพอเพียงพอดีและพอสมควรให้กับเราเพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้านั้นคงไม่ใช่เป็นการกินการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันรีสุขเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจและจิตวิญญาณครับ ไม่เพียงแค่เท่านั้นยังรวมถึงความชื่นชมินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นแผ่นดินที่ปกครองด้วยพระเจ้าครับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในแผ่นดินของพระเจ้านั้นเคลื่อนไหวอยู่ในตัวของผู้เชื่อทุกคนครับเพื่อให้ผู้เชื่อนั้นได้รู้ว่าตัวเองั้นมีความชอบธรรมนะครับโดยการเชื่อฟังโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสและจากตรงนั้นเองครับ ทำให้เรามีสันติสุขกับตัวเองสันติสุขกับพระเจ้าเกิดการเคารพดีกันครับและเมื่อเรามีสันติสุขในพระเจ้านั้นก็นํามาถึงความชื่นชมดีก็คือจอยความชื่นชมดีนั้นไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกแม้สถานการณ์ภายนอกจะเจอมรสุมความเลวร้ายอย่างไรแต่ความชื่นชมดีนั้นก็จะอยู่ในหัวใจในส่วนลึกของชีวิตของผู้เชื่อทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้น เป็นผู้ประธานความชื่นชมยินดีครับเราเองต้องทูลขอให้เรามีความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเพราะว่าความชื่นชมยินดีแบบนี้ไม่มีใครสามารถแย่งไปจากเราได้นะครับเพราะว่าเหตุที่ประทานมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับมารซาตานสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถแย่งสันติสุขและความชื่นชมยินดีไปจากเราได้<อ>พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับขอพระเจ้าปกครองชีวิตของเรา พระเจ้าจะควบคุมชีวิตของเราในโลกนี้ถ้าทีของเราในการตอบสนองเกี่ยวข้องกับการกินและการดื่มในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่29นะครับลูกาบทที่12ข้อที่29ถึงข้อที่31โปรดฟังโรชนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไรดีหรือ จ, จะดื่มอะไรและอย่ามีใจกังวลเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พ mm ี hmm. ่ น, น้องครับในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นเชื้เสตียนผู้เชื่อซึ่งเรียกว่าสาวกของพระเยซูนั้น mm hmm. คนต่างชาติหรือคนที่อยู่ในโลกนั้นแสวงหาแสวงหาอะไรครับ เขาเสาะหาสแสวงหาปัจจัยสี่ที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจะกินอะไรนะครับถึงจะเป็นของดีของแพงนะครับจะดื่มอะไรก็จะได้ดื่มแล้วจะได้มีความชื่นใจมีความภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกแสวงหาเพราะเยซูสอนเราครับว่าอย่าเสาะหาหรือแสวงหาว่าจะกินอะไรดีหรือดื่มอะไรและอย่า ก, กังวลครับ นะครับการกังวลนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้าเรามีความเชื่ออย่างไม่พอเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อเชื่อที่เติบโตขึ้นในแต่ละวันเมื่อเรามาีการไว้วางใจในพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดจากประสบการณ์ของเราในแต่ละวันเช่นเดียวกันครับเราก็จะสแสวงหาตัดสินใจนะครับในการหาพระเจ้ามาก่อนให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตของเราและเรารู้ว่าพระเจ้า ทราบว่าเราต้องการสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องการสิ่งเหล่านี้อย่างพอเพียงพอดีและพอสมควรแน่นอนครับพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้ถ้าเราให้พระเจ้ามาก่อนถ้าเราให้พระเจ้าเข้ามานั่งอยู่ในบัลลังก์หัวใจของเรานั่งอยู่ในบัลลังก์ชีวิตของเราและให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งมาเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของเราแล้วแล้วก็แน่นอนครับพระเจ้าจะประทานสิ่งนังบวงเหล่านี้ให้กับเราอย่างแน่นอนพี่น้องครับกอเจนะของพระเจ้าในค้าวันนี้นะครับมีอีกสองสามตอนนะครับ ในหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อสิบสี่นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของความเชื่อและความมั่นใจนั้นจะมีบทบาทอย่างไรในการอธิษฐานขอสิ่งต่างๆนะครับโปรดฟังพระญาณของพรเจ้านะครับหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อสิบสี่แต่นี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดสิ่งใดนั้น เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอจากพระองค์เพิ่มพีตอนนี้เป็นเพิ่มพีที่ค่อนข้างจะเหมือนกับฟันธงครับฟันธงเรื่องอะไรครับฟันธงเรื่องที่ว่าถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์หรือเรียกอย่างว่าเป็นน้ํำมัทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงฟังเราแน่นอนครับและถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าฟังเราก็หมายความว่าเราก็มั่นใจว่าเราทูลขอสิ่งใดสิ่งนั้นเราได้รับแน่จากพระองค์พี่น้องครับ อันนี้ก็คือ cost and effect นะครับสาเหตุนะครับและผลเหตุและผลนำมาซึ่งผลและเหตุนะครับพี่น้องครับพอาจารย์พระเจ้าตอนนี้ให้เรามีความมั่นใจครับความมั่นใจหรือความเชื่อจะมีบทบาทนะครับบทบาทสำคัญมากทีเดียวในการที่เราจะอธิษฐานขอสิ่ ง, งต่างถ้าเราขอสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าถามว่ารู้ได้ไงครับกลับมาถึง เรื่องเบสิกพื้นฐานก็คือเราต้องเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูและให้ถ้อยคาของพระเยซูฝังอยู่ในชีวิตของเราแน่นอนครับเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะตอบแนะ่ครับการอธิษฐานนั้นในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ลี้ลับครับนะครับเป็นเรื่องลึกลับในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับเด็กๆทุกคนเมื่อเขาเริ่มพูดได้เขาก็อธิษฐานได้นะครับอธิษฐานแบบเด็กๆ ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้อาวุโสอายุเจ็ดแปดสิบก็ที่ขานได้ไม่ว่าเขาจะมีประสบการณ์ขับพระเจ้าลึกซึ้งมากน้อยเพียงใดแต่ละคนสามารถอธิษฐานได้นะครับและขึ้นกับความเชื่อขึ้นกับน้ำพระทัยของพระเจ้าขึ้นกับการไว้วางใจและความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คำถามต่อไปก็คือเราควรจะอธิษฐานขอนานแค่ไหนครับในอวมาลูกาบทที่สิบแปดนะครับเราจะเห็นว่า พระเยซูตัดเรื่องคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรจะอิจฉาอย่างสม่ำเสมอไม่ออดละอาใจพี่น้องเราได้พูดถึงเรื่องของการอิจฉานในอุปมาเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอนานเท่าไหร่ครับขอไปเรื่อยๆนะครับขอจนกระทั่งพระเจ้าให้กับเราเมื่อเราอยู่ในโปรเซสหรือในกระบวนการของการขอนั้นพระเจ้าจะบอกครับว่า ให้เราหยุดขอได้แล้วเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ตรงการนำมาถ่ายของพระเจ้าหรือเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะได้จังเลยอยากจะได้มากๆเลยเราก็อธิฐานไปเรื่อยๆนะครับพอไปถึงจุดจุดหนึ่งเราจะรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เรารอครับเราก็จะอธิฐานต่อไปครับเราก็รอด้วยความอดทนเรารอด้วยความหวังรอด้วยความมั่นใจเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะประทานให้นะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราควรจะอธิฐาน ขอนานแค่ไหนครับถ้าเรามีจิตใจสแสวงหาพระเจ้าเรามีจิตใจที่จะสแสวงหาพระทัยของพระองค์อธิษฐานไปนะครับจะมีวันหนึ่งที่เราจะรู้ว่าอธิษฐานต่อต้องอดทนเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นครับเมื่อเราอธิฐานเผื่อคนในครอบครัวงเราให้กลับใจรับเชื่อพระเจ้าแน่นอนครับเรารู้ว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะช่วยคนในครอบครัวงเรานั้นให้รอดหากว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาเปิดใจนืครับผมรู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับ ท่านอธิษฐานเผื่อสามีของท่านเป็นเวลาสามสิบปีครับกว่าสามีจะได้มีโอกาสารู้จักกับพระเจ้านะครับในะครันองเดียาวกันครับถ้าเราอธิษฐานขอให้เรามั่งข้างง่ํารวยอธิษฐานไปอธิษฐานมาปรากฏว่าเมื่อเรายิ่งเข้าใกล้พระเจ้าแล้วเราก็จะรู้ว่าการมั่งขั่งง่ำรวยนั้นพระเจ้าประทานให้คนอื่นไม่ได้ประทานให้กับเราเราก็จะหยุดอธิษฐานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นน้ำมัไทยของพระเจ้าแล้ว พี่น้องครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยเพื่อที่จะให้เราเข้าใจเรื่องของการอธิษฐานขาพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะอธิษฐานอย่างถูกต้องนะครับและวิงวอนในการอาธิษฐานคำถามสุดท้ายในเช้าวันนี้ก็คือว่าเราควรจะคาดหวังอะไรในการอาธิษฐานเมื่อเรามีทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับตามเงื่อนไขของพระเจ้านะครับเราควรจะคาดหวังอะไรในการอาธิษฐานเมื่อเรามีทุกอย่างครบ ตามเงื่อนไขของพระเจ้าฮีบูบทที่11ข้อที่6ครับฮีบูบทที่11ข้อที่6ได้กล่าวว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบําเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ดั่นั้ครับตรงนี้ก็คือความคาดหวังครับ เมื่อเรามีครบถ้วนตามเงื่อนไขของพระเจ้าแล้วสุดท้ายต้องใช้ความเชื่อครับนะครับพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าสุดท้ายนั้นต้องท็อปอัพด้วยความเชื่อหรือโปะความเชื่อเป็นประการสุดท้ายเงื่อนไขต่างๆเรามีหมดนะครับแต่ใช้ความเชื่อโปะเป็นสุดท้ายท็อปอัพเป็นสิ่งสุดท้ายนั่นแหละครับก็คือเราต้องเชื่อว่าเลยครับเราต้องเชื่อว่าพระองค์ ดำรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วนะครับและพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบำเน็จตรงนี้หมายความว่าคำตอบของการอธิษฐานให้แก่ทุกคนที่สแสวงหาทุกคนที่ขอกับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตในการติดสินิทกับพระเจ้าอาเมน